วันนี้เป็นวันพระรหัสที่ยี่สิบดกรกฎาคมพุทธศักราชสอง5ห้าสิห้าเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเฉลมมิมฉลอมาพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสทธายายุมพุทธบริษัท ผู้มีจิตใฝ่ธรรมจึงได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำกิจทางพระพุทธศาสนาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การที่จิตใจของสัตว์โลกจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จำเป็นจะต้องมีที่พึ่งอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจ พุทธังธรรมังสังคังสระนองก่อชามิส่วนที่พึ่งอย่างที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ทำงานร่วมกันไม่ขัดกันแต่เสริมกันส่งเสริมซึ่งกันและกัน ที่จะสามารถทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จําเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทั้งสองประการคือข้อหนึ่งจําเป็นจะต้องมีพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งคาว่าที่พึ่งในทางนี้หมายถึงเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอน เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนและพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วรู้วิธีการทําให้จิตใจนี้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปแล้วท่านจึงเป็นผู้ที่จะสามารถสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุก ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้ปฏิบัติผู้ปรารถนาความหลุดพน้นจากความทุกข์นั้นจะไม่สามารถหลุดพน้นได้ด้วยกําลังของตนเองเพียงอย่างเดียวเพราะทางสู่การหลุดพน้นนี้เป็นทางที่ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามาะสามารถระดับพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถพบหรือเข้าถึงทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองนอกนั้นแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทําให้ใจของตนเองนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองเลย ดังนั้นต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปธรรมก่อนตัดสรุ <c> ้ <oughs> อริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยนิโรธมักธรรมที่เป็นเหตทุทําให้เกิดความทุกข์และธรรมที่ทําให้ความทุกข์นั้นดุจดับไปพอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้อริยสัจสีแล้ว ก็มีการเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้อย่างสิ้นเชิงกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมากลายเป็นหนึ่งในพระราตนาตรัย ที่จะทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกที่มีความปรารถนาที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรียนรู้ได้ศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนนี่คือที่พึ่งอันที่หนึ่ง ที่ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์จาเป็นจะต้องมีต้องมีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พบทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์และได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้ แล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อมีความสนใจได้นำเอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานี่คือข้อ ที่เพิ่งอันแรกส่วนแรกของขอบวนการสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องมีความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่หลุดพ้นแล้วและคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนที่จะสามารถทำให้ผู้ศึกษาปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอน และเชื่อว่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถทำหน้าที่สั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องมีความเชื่อมั่น ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ความสั่งสอนที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งทางกายแต่เป็นที่พึ่งทางใจอย่าไปคิดว่าเมื่อเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศารณะแล้ว เราจะคล้าคาดปลอดภัยจากภัยต่างๆทางร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระ ร, รัตนตรัยพระรัตนตรัยไม่สามารถคุ้มครองร่างกายของเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรรเสริญสุขที่เราได้ต่างๆท้งตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ไม่ให้เสื่อมไม่ให้สิ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีการเจริญและเสื่อมเป็นธรรมดาไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาทำให้ร่างกายและลาบยอดสรรเสริญสุขนี้ไม่เสื่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แลง้เราต้องเข้าใจว่าการที่เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนี้หมายถึงว่าเราต้องการความรู้จากท่านความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ถ้าได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนและการที่เราเกล่าวถึงพระรัตนตรยัยว่าพุทธัทงสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสามังสารนังกัจฉามินี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเข้าถึงที่พึ่งอย่างแท้จริงการกล่าวด้วยว่าจะเป็นการ สมัครเป็นผู้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือประกาศเจตนารมณว่าต่อไปนี้จะไม่เชื่ออะไรนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่าทนั้นหากคำสอนอย่างอื่นนี้ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เชื่อโดยเด็ดขาดจะไม่ต้องปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด จะเชื่อแต่คำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนี่คือความหมายของการเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการเปล่งวาจาพุทธังธรรมังสังคังสรานักานกฉามิแต่เรายังไม่ได้เข้าถึงตัวสาระที่แท้จริงตัวสาระคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเข้าถึงด้านนี้ เราต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอันนี้จะทำจะปฏิบัติได้ก็ต้องอาศัยที่พึ่งส่วนที่สองที่เราเรียกว่าอัตติอัตติอั ต, อตนโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้ท่านเพียงแต่บอกให้เรารู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้เท่านั้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะได้ศึกษามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้ายังไม่นำเอาไปปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆยกตัวอย่างมีพระอานน์นี้เป็นเป็นพระ อ, อุปถาพระพุทธเจ้าได้อุปถาพระพุทธเจ้า ตลอดเวลา20สิกว่าปีด้วยกันแต่พระอนนุ์ก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทุกครั้งไปก็ตามแม้แต่เวลาที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรม ท, ที่ที่อื่นแล้วพระอนุ์ไม่ได้ติดตามไปด้วย พระอนุน์ก็ยังกราบขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้กับท่านอนุ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับมาที่ที่พำนักแล้วแสดงว่าพระอนุล น, นี้ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนแทบทุกวันเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวันเป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก ในช่วงบ่ายก็สแสดงธรรมให้แก่คารวะญาติโยมในยามค่ําก็สแสดงธรรมให้แก่ภิกษุภิกษุณีและในยามดึกก็สแสดงธรรมให้แก่เทวดาธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระอนนุนี้จะได้ยินได้ฟังทุกครั้งเลยเพราะเป็นเหมือนเงาตามตัวพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระอนนท์ก็จะอยู่ที่นั่นรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแต่พระอนนท์กลับไม่ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับพระสาวกรูปอื่นๆที่สามารถบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ก่อนหน้าพระอนนท์เป็นจำนวนมากก็เป็นเพราะว่าพระอนนท์ไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่นั่นเอง ก็จะต้องคอยมาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าคอยดูแลคอยทำงานให้กับพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่จึงไม่สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นพระอารหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธปานิพานจากโลกนี้ไปแล้วพระนรนท์ก็ว่างจากภารกิจในการอุปถามดูแลพระพุทธเจ้าจึงมีเวลาเต็มที่ที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่นั่นเองพระนรนท์ก็เลยใช้เวลาที่ว่างไม่ต้องคอยอุปถามพระพุทธเจ้านี้บำเพ็ญอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ จนใช้ระยะเพียงเวลาสามเดือนเท่านั้นเองก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือที่พึ่งขั้นที่สองส่วนที่สองที่พระอานนท์ไม่ได้ใช้เวลาที่ดูแลอุปถัมภ์อุปถากพระพุทธเจ้าเพราะต้องเอาเวลาไปคอยรับใช้พระพุทธเจ้านั่นเอง จึงไม่มีเวลาสำหรับตัวเองที่จะไปปฏิบัติไปเปรีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังเพื่อเจริญธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญกสติคือส ต, อสติสมาธิและปัญญา น, นั่นเองจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่พอพระพุทธเจ้าจากไปแล้วพระอนุนก็เลยมีเวลา ที่จะสามารถไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอเร่งปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพอปฏิบัติอย่างเต็มที่ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลายี่สิบกว่าปีนี้ก็สามารถนำเอามาใช้กับการปฏิบัติได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้อง มีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งคอยสอนอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้ามีพระ อ, อนุนี้มีความจำที่ดีมากสามารถจำพระธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ได้ทุกคำสอนเลยยังสามารถนำเอาคาสอนนั้นไปประยุกต์กับการปฏิบัติของตนคือเอาสาระส่วนที่หนึ่งคือพุทธทงธรรมัง สารนังกชามนินี้มาประสานกับอัตตาหิอัตโนนาโถปฏิบัติเจริญความเพียรเจริญสติสมาธิและปัญญาตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นพอได้ได้ความเพียรอย่างนี้เพียงระยะเวลาเพียงสามเดือนก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ นี่คือตัวอย่างเอามาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงหน้าที่ของสารณะของที่พึ่งทั้งสองส่วนส่วนแรกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ให้ความรู้รู้วิธีการดับทุกข์ต่างๆส่วนที่สองก็คือผู้ที่ต้องการจะดับความทุกข์นี้จะต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้ความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ ผู้ที่จะมีอัตตาหิอัตนโนนาโถได้นี้ก็จำเป็นที่จะต้องเจริญธรรมห้าประการด้วยกันคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่เองคือก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวุของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นคำสอนที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนไม่ลังเลสงสัยในคำสอนต่างๆเช่นมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นจะปฏิบัติให้ครบองค์ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงก็คือปฏิบัติตรงต่อคําสั่งคําสอนทุกประการสอนให้รักษาสิ่งก็รักษาสิ่ให้บ่อยสุดไม่มีการยกเว้นว่าข้อนี้ไม่ขอรักษาได้ไหมเช่นหิวข้าวเป็นโรคกระเพาะต้องกินข้าวเย็นอย่างนี้ไม่มีการยกเว้นต้องยอมตายถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ไม่เช่นั้นแล้วจะกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ะวุารเจ้าบอกให้สละทุกอย่างสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อทมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติ ด, ด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถนี้ยังเป็นต้องมี ทำข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะเป็นผู้ที่สั่งผู้สอนผู้ชี้แนวทางของการหลุดพ้นให้กับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนเมื่อเชื่อแล้วก็จะปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติลงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความเจริญทางลาบยศเสริญสุขใดอย่างใดไม่ปรารถนาความแค็้วกร่งปลอดภัยจากภัยต่างๆจากโรคตา่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหยุดพ้นจากความทุกข์ต้องการต้องการให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหมดสิ้นไป โดยความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดการแกร่การเจ็บการตายอย่างต่อเนื่องนี้เท่านั้นที่ต้องการให้มันหมดสิ้นไปจากใจให้ได้คือไม่ต้องการจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่าผู้ที่จะไม่มีทุกข์นั้นจะต้องเป็นผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ก็ต้องมีความทุกข์กับการอยู่การดำรงชีพ การดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่เจอกับความทุกข์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์ของความตายของการพลาดพลาดจากกันแต่ถ้าสามารถทําให้ไม่กลับมาเกิดได้แล้วทุกเหล่านี้ก็จะไม่มีอีกต่อไป ท่านถึงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กลับมาเกิดเท่านั้นและผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ละเหตุที่ทำให้จิตต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเหตุที่ทำให้ผู้ที่กลับมาเกิดอยู่เรื่อยเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี้มีอยู่สามข้อด้วยกันเหตุที่พาให้จิตใจต้องกลับมาเกิดข้อที่หนึ่งคือกามตัหา ตัณหาคือความอยากอยากเสกกามะคือกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะกามตัณหาก็คือความอยากเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะชนิดต่างๆนั่นเองอันนี้ต้องเลิกให้ได้เลิกเสกกามะเลิกเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะ เไม่เหตุรูปไม่ดูอะไรไม่ฟังอะไรไม่ลิ้มรสไม่ดมกลิ่นไม่สัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนไม่แสวงหาความสุขในรูปแบบนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอร่างกายตายไป ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นนั้นก็ยังมีอยู่ในใจต่อไปก็จะเป็นตัวที่จะไปผลักดันให้จิตไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทาพาะต่อไปนั่นเองนี่คือการกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆที่เราเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เลือกลับมาเกิดเป็นสัตว์ในราชาญเพื่อที่จะได้มาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัดภาคจากกัน<ม>ก็ต้องเจอความทุกข์นี่คือเหตุที่พาให้กลับมาเกิดข้อที่หนึ่งทาให้มากลับมาเกิดในกามภพในสังสารวัฏนี้ ในภพของของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีแบ่งไว้สามภพด้วยกันที่เราเรียกว่าตรยภพตรแปลว่าสามภพก็คือภพที่จิตไปเกิดมีสามภพด้วยกันการมาภพก็คือภพของผู้ที่ยังละา ก, การเสพการไม่ได้คือผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะนี้ จะต้องกลับมาเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆและก็ในตายพบนี้ก็จะมีแบ่งไว้เป็นสองซีกด้วยกันซีกที่เรียกว่าสุขคติกับซีกที่เรียกว่าทุกขติซีกที่เป็นสุขคติก็จะเป็นพบที่มีแต่ความสุขมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยมากเช่นพบของเทวดาทั้งหลายนี่เป็นพบของผู้ของผู้ที่เสพกาม สาเหตุที่ทําให้ผู้ที่ได้เสดงามนี้ไปเกิดในสีของทุกสุขตินี้ก็เกิดจากการรักษาศีลห้าและการทําบุญทำทานอย่างสม่ําเสมอก็จะส่งให้ได้ไปเกิดในสุขติไปเสดงามไปเสดรูปเสียงกลิ่นรสของเทวดาคือรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพต่างๆและความสุขที่ได้รับ จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็มีความต่างกันมากน้อยขึ้นอยู่กับกำลังของการทำบุญทำทานว่าทำมากทำน้อยเพียงไรทำยิ่งมากยิ่งได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มีความสุขมากทำน้อยก็ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มีความสุขน้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นสุขความสุขอยู่จึงมีการแบ่งชั้นเทวดาเป็นหกชั้นด้วยกัน ขึ้นอยู่กับกำลังของบุญที่ทำกันทำมากก็จะได้ขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงชั้นที่มีความสุขมากทำน้อยก็จะไปสู่ชั้นที่มีความสุขน้อยนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบุญและรักษาศีลห้าได้ส่วนผู้ที่ไม่ทำบุญและไม่รักษาศีลห้าที่ไปก็คืออบายหรือทุกขตินั่นเอง ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางไปเป็นผีเ ป, นเป็นเปต เ, เป็นนสุลกายไปอยู่ในนรกบางพบเหล่านี้จะเป็นพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขความสุขมีเพียงเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไม่มีเลยในบางพบเช่นในนรกนี่ถ้าจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะจะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทเป็นไฟเผาใจตลอดเวลา ภพของเปรตก็มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยความที่เกิดจากความโลภต่างๆภพของอสูรกายก็เป็นภพที่เกิดจะมีความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวต่างๆมาคอยสร้างให้กับดวงวิญ ญ, ญาณตลอดเวลาแต่ภพเหล่านี้ก็มีวันบทกําลังลงไปเกิดเป็นเทวดาก็อยู่ได้ ช่วระยะเวลาที่บุญมีกำลังส่งขึ้นไปพอบุญที่ส่งขึ้นไปหมดกำลังดวงวิญญาณก็จะถูกกามะตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดมาคอยรับร่างกายอันใหม่มาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพักอันใหม่เช่นเดียวกับผู้ที่ไปเกิดในทุกขติพอบา ที่ได้ส่งไปนั้นหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่สองพวกที่ลงมาเกิดนี้จะต่างกันพวกที่ลงจากที่สูงนี้ยันพวกที่เป็นผู้ที่มาเกิดแบบมีมีบุญมีวาสนามีบรารมีพวกที่มาเกิดมาจากที่ต่ำมาจากข้างล่างมาจากกระบายก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความอาพาพวาสนาต่าง ร่างกายก็จะต่างกันผู้ที่มีบุญมาเกิดก็จะได้ร่างกายที่สวยงามรูปล่างหน้าตาสวยงามามีผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบส2มีอายุยืนยาวนานเป็นต้นส่วนผู้ที่มาจากอบายกลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นผู้ที่มีแต่หน้าหน้าตาก็ไม่สวยไม่งามผิวพรรณไม่ผ่องใส อาการสามสองก็อาจจะพิกลพิการไม่ครบอาการ32สองอายุก็จะไม่ยืนยาวนานแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเดียนเป็นต้นและอุปนิสัยก็จะต่างกันพวกที่มีอุปนิสัยในการทําบุญทําทานรักษาสิ่งพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะทําบุญต่อจะรักษาศี่งต่อ เพราะมันเป็นนิสัยของพวกเทวดาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันส่วนพวกที่เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่ก็จะมีอุปนิสัยไปในทางที่ไม่ดีือจะชอบทำบาปทำกรรมชอบเสพอบา ย, ยมุขไม่ชอบทำบุญทำทานโลกของมนุษย์จึงมีคนสองประเภทนี้คุกค้ากันไปแม้แต่ในครอบครัว อันเดียวกันก็ยังมีพี่น้องที่มีอุปนิสัยต่างกันเพราะว่าอุปนิสัยนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่อุปนิสัยนี้มาจากจิตเกิดจากการกระทําที่เคยกระทําซ้ําๆมาในอดีตชาติเคยทําบุญมาซ้ําๆก็จะติดนิสัยชอบทําบุญเคยทําบาปก็จะติดนิสัยชอบทําบาปอันนี้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาจากพ่อแม่ ลูกๆที่เป็นลูกๆที่เป็นพี่น้องกันมีพ่อแม่เดียวกันนี้จึงมีนิ ส, สัยที่ไม่เหมือนกันแต่ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งที่อาจจะมีนิ ส, สัยเหมือนกันเพราะมาจากแหล่งเดียวกันมาจากสวรรค์ด้วยกันก็ชอบทำบุญทำทานรักษาสี่งพวกที่มาจากอบายก็ชอบกินเหล้าเมายาเล่นการพนันชอบรักเล็กขโมยน้อยโกหกหลอกลวง คอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนี้ก็มาจากมาจากข้างล่างมาจากอบายนี่คือที่มาของการมาเกิดในกาลมาพบกันเพราะมนุษย์นี้เป็นพบที่มาสร้างบุญสร้างบาปส่วนพบของเทวดาพบของเปรตของนรกนี้เป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปแต่ก็ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดอยู่ เพราะว่าเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดคือการมาตัญหานี้ไม่ได้รับการชำระไม่ได้รับการกําจัดนั่นเองดังนั้นผู้ที่ปฏิบัตินี้จึงต้องมากําจัดตัวแรกก่อนคือการมาตัญหาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดด้วยการเจริญยกระดับของจิตให้ไปอยู่ในระดับของพรหมโลก พรมโลกก็คือด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้เข้าฌานขั้นต่างๆขั้นรูปฌปานและขั้นอรูปฌปาน<ม>พวกนี้ก็สามารถที่จะกำจัดหรื อ, ห ร, อ, ห, รอหรือกดการมาตัญหาไว้ได้จะไม่เสดการเป็นหลักพวกนี้จะเสดตจรูปฌปานหรืออรูปฌปาน พวกที่สนใจในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นก็มักจะถือศีลแปดกันศีลแปดก็คือการละเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆละเว้นกามตัญหานั่นเองอย่างแต่ว่าการปฏิบัติขั้นระดับสตินนีน ย, ยังเป็นการละละเว้นแบบชัว่วคราวไปก่อนเพราะสติยังไม่มีกาลังพอที่จะถอดถอนกามะตัญหาให้หลุดออกไปจากใจได้ ต้องอาศัยทำระดับที่สูงกว่าสติก็คือระดับปัญญาแต่ก่อนจะเข้าถึงระดับปัญญาได้ก็ต้องผ่านระดับสติสมาธิไปก่อนผู้ปฏิบัติจึงถือศีลแปเป็นอย่างน้อยศีล8ศีลส0ศีลสอีเพื่อละกามะทันหาไม่เสบรูปสีงกิ่นลดผลธพะแล้วก็เอาเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อให้จิตได้เข้าสู่ความสุขของรูปประชาญและอารู ป, ปรชาญแทนต้องมีความสุขทดแทนเพราะว่าจิตนี้มันหิวโหยต่อความสุขถ้าไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรดก็ต้องมีอะไรให้มันเสบแทนถ้าไม่มีอะไรให้มันเสบแทนเดี๋ยวมันก็กลับไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดผุดธพระอีกนั่นเองเน้นถ้าถือศีลแปแล้วจะรู้สึกหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรดเพราะว่าไม่ได้ ถูกฆ่ามไม่ให้เสกด้วยด้วยการถือสินไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร่วมรับนอนกับแฟนไม่กินอาหารหนังเที่ยงวันไปแล้วแต่ใจมันก็ยังหิวโหยอยู่จึงต้องหาสิ่งทดแทนมาให้กับใจก็หาความสุขของรูปประชานและอารูปประชานนี้มาเป็นตัวทดแทนเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถที่จะ ควบคุมการอารมณ์ได้ควบคุมกามตัญหาได้ให้อยู่ในระดับที่สามารถที่จะทำลายมันได้ต่อไปเบื้องต้นจึงต้องใช้การปฏิบัติสมาธิการจะปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ได้รูปประชานและอรูปประชานนี้ก็ต้องอาศัยสติอย่างนั้นผู้ที่หลังจากที่มีศรัทธาความเชื่อ ในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีความภาคเพียรคือวิริยะอันนี้ทำข้อที่สองผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกนี้จำเป็นจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่ตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกได้ด้วยความเพียรถ้าขี้เกียจ ขี้เกียรักษาศีลขี่เกียจนั่งสมาธิขี่เกียจเดินจงกรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูหนังฟังเพลงก็จะอยู่เฉยๆหรือไปทำกิจอย่างอื่นบางคนก็ไปทำกับข้าวบางคนก็ไปทำขนมบางคนก็ถ้าเป็นพระก็ไปตัดจีวรไปทำกิจอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ถึงแม้จะเป็นผู้ทรงศีลถือศีลแปดศีลสิบศีลสองอยีิบเจ็ด แต่ไม่ไปทำความเพียรด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้<ม>ต้องมีความเพียรชอบ<ม>ความเพียรที่ถูกต้อง<ม>แต่บางแห่งเขาก็อ้างว่ายัางทำไม่ได้ก็เอาความเพียรอย่างอื่นก่อนเช่น<ม>ตามวัดบางทีค่ายพระเนี่ช่วยกันก่อสร้างสร้างกำแพงสร้างโบสถ์สร้างอะไรเพื่อจะได้ไม่ขี้เกียจ จะได้ขยันจะได้มีความเพียรแต่เพียรแบบนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความเพียรชอบมันไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มันต้องเพียรด้วยการเจริญสติต้องบังคับให้พระเนรเดินจงกรมเดินสองชั่วโมงสามชั่วโมงดีกลับไปทำงานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันนี้เป็นงานของคาลวะญาติยาโยมไม่ใช่งานของนักบวชผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ คารวะญาติยมนี้เขามีกําลังในการสร้างถาวราวัตถุต่างๆให้ใใหให้ห้เป็นงานของคาราวะผู้ยังไม่ได้เข้าสู่การปฏิบัติให้เขาได้มีโอกาสทําบุญทําทานโดยจากเงินสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆนี้เขาทําได้และเป็นประโยชน์กับเขาเพราะเขาได้ทําบุญทําทานแทนที่จะเอาเงินไปซื้อรถคันละยีสิบล้านก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แทน เลยไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอย่างนี้เป็นหน้าที่ของผู้ครองเรือนของผู้ที่ยังไม่ได้บวชแต่สําหรับผู้บวชเรานี้ไม่ควรไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างกุฏิสร้างอะไรยกเว้นว่าถ้าเป็นงานเฉพาะกิจแล้วก็ไม่มีศรัทธาญาติโยมมาสนับสนุนเช่นบางทีต้องสร้างกระต๊อบสร้างกุฏิเล็กๆอย่างนี้พระเนงก็ทํานเองได้แต่ถ้าสร้างงานใหญ่ๆเป็นปีอย่างนี้สร้างเจดีสร้างโบสถ์สร้างอะไร อันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเนนสมัยที่อยู่วัดป่าบ้านตานี่หลวงตาท่านก็ไม่ให้พระเนนทําทก่อสร้างยกเว้นว่าปีหนึ่งอาจจะสร้างกุฏิสักหลังหนึ่งเป็นกุฏิไมเ้เล็กๆใช้เวลาสั้นๆก็ช่วยกันทําเพราะว่าท่านไม่อยากให้คารวะญาติโยมเข้ามายุ่งยากในวัดเพราะคารวาะจะไม่มีสติจะมาทําเสียงกับกระทึกครึกโคม ถ้ามาบกวนการภาวนาของพระเนรท่านก็นเลยให้พระเนรช่วยกันทำเองแต่ทำน้อยๆทำไม่มากทำแบบเรียบง่ายอยู่อยู่เพื่อหลบแดดบหลบฝนก็พอแต่ท่านยาเน้นให้พระเนรเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิในการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอันนี้แหละเป็นงานของวิริยะความเพียรชอบ เจริสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาสามธรรมนี้ก็จะทำก็จะก็จะครบเครื่องมือครบธรรมที่จําเป็นจะต้องมีสําหรับการหลุดพ้นจากความทุกข์เบื้องต้นต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วก็ปฏิบัติด้วยวิริยะเมื่อรู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างต้องถือศีลแปดกัน ล, ละเว้นจากการเสพการละเว้นจากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสผดภทะพะชนิดต่างๆแล้วก็เพียงเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเพื่อใจจะได้มีความสุขจะได้ไม่ต้องกลับไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผดภทะพะอีกถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขในตัวมันเองเดี๋ยวมันก็อดไม่ได้เพราะกาลังของกามาตัหามันยังไม่ได้ถูกทาลายไป เวลาใดาที่ขาดสติเผลอสติเวลาใดาที่ไม่ได้ทําความเพียรเวลานั้นก็อาจจะถูกกำเนิดของ k าม m a ธันหานี้ฉุดให้กลับไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้บางคนต้องลาสิกขาไปบวชก็ลาสิกขาไปถือศีลแปดก็ขอลากรับถือศีลห้าแทนศีลแปดทำไม่ไหวอย่างนี้ก็จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้แต่ถ้า มีความเพลินเจริญสติจนสามารถเข้าฌานได้ตลอดเวลาที่ต้องการอยากจะเข้าฌานเวลาไหนได้ก็เข้าไปเวลาจิตเริ่มรู้สึกโกรจิตลาคาญใจว่าอาํานาจของกามาตัาหามันเริ่มแสดงตัวก็รีบเข้าฌานไปพอเข้าฌานจิตสงบเย็นสบายความหโกดหจิดที่เกิดจากกามาตัาหามันก็จะหายไปแต่ถ้าทําอยู่ในระดับนี้มันก็ยัง ยังไม่หลุดพ้นมันก็ยังติดอยู่ในรูปฌานกับรูปฌานรูปฌานก็จะพาให้ไปเกิดในรูปภพภพที่สูงกว่าการมาพบมีความสุขมากกว่าถ้าได้อารูปฌานก็จะไปเกิดในอารูปปภพเป็นภพที่สูงกว่ารูปรูปภพมีรูปภพแล้วก็มีอารูปปภพความสุขอารูปปภพนี้เป็นความสุขที่สูงสุดในในไตรภพ ใคายได้อารูปปชาณนะเวลาตายไปก็จะไปเกิดบนอรูปรภพเสพความสุขของอรูปปชาญไปจนกว่ากำลังของรูปปชาญจะหมดกำลังลงก็จะถูกอำนาจของการมาตฐานหาดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มามีร่างกายเพื่อจะมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่แต่พอได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เนื่องจากมีอุปนิสัยชอบเข้าฌานมากกว่าชอบเส รูปเสียงกลิน่นริก็มักจะไปหาที่สงบเพื่อไปปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าสู่รูปฌปานอารูปฌานใหม่อันนี้เป็นที่มาสาหรับทําไมคนบางคนเกิดมาแล้วไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวไม่ชอบแต่งงานชอบไปวัดชอบไปหาที่สงบอยู่นี่อาจจะเป็นเพราะชาติก่อนเคยอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพมานั่นเอง มีความยินดีมีความติดพันอยู่กับความสุขของรู ป, ปรชาญหรืออารู ป, ปรชานพอเวลามาเกิดแล้วเวลาไหนที่อยู่คนเดียวตามลำพังไม่มีใครมารบกวนใจใจก็นิ่งสงบโดยอัตโนมัติขึ้นมาก็มีโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องหลับตาแต่เนื่องจากเคยทำใจให้สงบมาจนชนานาญแล้วพอไม่มีอะไรมารบกวนกีดกว้ง ไม่มีนิวรณ์ขัดขวางใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างอัตโนมัติเช่นพระพุทธเจ้าตอนสมัยที่เป็นพระตอนที่เป็นเด็ก อ, อายุไม่กี่ขวบสิบขวบประมาณนี้วันยนังก็ได้นั่งประทับอยู่โคนไม้ตามลำพังพวกบริสัท์บริวารที่คอยดูแลนั้นพอดีติดภารกิจอย่างอื่นวันนั้นมีงานในวังที่ต้องไปช่วยกัน เลยปล่อยให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั่งประทับอยู่ใต้คนไม้ตามลำพังพอไม่มีใครมาห้อมล้อไม่มีใครมาคอยดึงความสนใจของใจใจก็เลยรวมเข้าสู่สมาธิโดยอัตโนมัติขึ้นมาองค์ก็ทรงแปลกประหลาดมนะาส์ใจว่าทำไมอยู่เฉยๆใจก็เกิดความสุขขึ้นมาได้อันนี้แหละเป็นเพราะว่ามีอ น, นิสงส์เก่าของการที่ได้ปฏิบัติ รูปปัจาญดรว่ารูปประชาญมาในอดิตชาติมันติดมากับใจของเราแต่ว่ามันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้มันปรากฏขึ้นมาถ้าไปอยู่ในที่มีแสงสีเสียงมีเสียงกระทึกครึกโครมมีเหตุการณ์ในไต่างๆมันก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้แต่พอมันไปอยู่ที่สงบสงัดนิเวศตามลำพังนี้มันจะโผล่ขึ้นมาของมันเองเลย แล้วพอกายได้สัมผัสแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็รู้แล้วว่าจะต้องการหาความสุขแบบไหนพวกนี้ก็มักจะไปบวชกันครูบาอาจารย์บางรูปนี้ท่านได้บวชตั้งแต่เป็นเนรเป็นเด็กแล้วก็ไม่เคยเสกเลยเพราะว่าพอท่านบวชแล้วท่านก็เสกความสุขจากการเจริญสติการนั่งสมาธิแทนก็เลยทําให้ท่านไม่มีความหิวโหวยกับการที่จะต้องเสกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆท่านก็สามารถ ดำเนินปฏิบัติและยิ่งถ้าได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ได้ดูดพ้นแล้วรู้วิธีการดับดุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรก็จะสามารถปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้คือขั้นสมาธินี้ยังทำให้ติดในตายพบอยู่ผู้ที่เข้าฌานได้ได้พบความสุขของรูปฌปานหรืออรูปฌานนี้ตายไปใจก็ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหม ชั้นรูปประรมหรืออรูปประพมอยังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาด้วยท่านทั้งคู่ก็ได้รูปประชานหรืออรูปประชานพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประพรมหรืออรูปประพรมตอนต้นพระพุทธเจ้าเวลาจะแสดงธรรมครั้งแรกนี้ก็คิดถึงพระอาจารย์สองรูปนี้ ว่าถ้าไปสอนวิธีให้ออกจากปลายภพนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นี่ท่านจะสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้และหลุดออกจากรูปภพอรูปภพได้อย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่ท่านตายไปก่อนยิ่งไม่สามารถแสดงทําได้เพราะพวกที่ไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปภพอรูปภพนี้ไม่ติดต่อกับใครไม่เหมือนพวกที่อยู่ชั้นเทพเทพนี่ยังติดต่อได้ พระพุทธเจ้าจึงสามารถสอนพวกเทวดาได้แต่ไม่สอนไม่สามารถสอนพวกพรหมได้เพราะพวกพรหมเหมือนเหมือนกับพวกที่ติดปิดโทรศัพท์มือถือไม่รับติดต่อใครไม่รับไม่ไม่รับสายเข้าแต่พวกที่เป็นเทพยังรับสายอยู่ยังอยากจะรู้เรื่องราวคนนั้นคนนี้อยู่พอใครโทรเข้าปุ๊บก็รับสายทันทีเลยพวกที่พระพุทธเจ้าจึงแสดงทําให้กับพวกเทพทุกคืน พยายามเด็กนี้จะทรงแสดงทําให้กับพวกเทวดาที่ใฝ่ธรรมเทวดาที่สนใจพอมีพอรู้ว่ามีการแสดงธรรมเขาก็จะมาฟังกันอันนี้คือธรรมที่ได้ปฏิบัติจากการเจริญสติและสมาธิเท่านั้นทำยังไม่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพได้ถ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้ พุทธเจ้าบอกว่าต้องเจริญปัญญาเพราะว่าความความความอยากในกามาพบรูปรพบอารมูปพบนี้เกิดจากความหลงเกิดจากการไม่เห็นว่ากามาพบรูปรพบและอารมูปพบนี้เป็นพบที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรและก็เป็นพบที่จะทําให้ต้องทุกเวลาที่มันเสื่อมนั่นเอง เวลาขึ้นไปสวรรค์พอตกจากสวรรค์นี้มันก็ทุกข์ละเหมือนคนรวยรวยร้อยล้านพอตกมาอยู่ที่ระดับสิบล้านก็ทุกข์ละเพราะว่ามันมีการเสือ่อมถ้าไม่อยากจะให้จิตกลับมาเกิดอีกไม่เสือ่อมก็ต้องละมันด้วยปัญญาตัดมันด้วยปัญญาด้วยการให้เห็นว่าการมาพบรูปพบอรมประพบนี้เป็นไตรลักษณ์นี่เองเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ไปสั่งให้เราอยู่ในเป็นเทวดาไปตลอดไม่ได้ไปสั่งให้เราไปเป็นพรหมตลอดไม่ได้วันใดวันหนึ่งมันจะต้องเสื่อมลงแม้แต่มนุษย์ร่างกายของมนุษย์เราก็สั่งให้มันเป็นมนุษย์ไปตลอดไม่ได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะความเสื่อมของภพต่างๆนี่เองจึงทาให้จิตต้องทุกข์เวลามันเสื่อม ถ้าถ้าหาน็นว่ามันเสื่อมมันเป็นทุกข์ก็อย่าไปยินดีที่จะกลับมาเกิดในภพเหล่านี้สิอย่าไปยินดีกับกามะตันหาอย่าไปยินดีกับรูปประชานอย่าไปยินดีกับอารูปประชานอย่าไปยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะถ้าเราไม่ยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเราก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มาเกิดเป็นเทวดาถ้ า, าเราไม่ยินดีกับรูปปานหรืออารูปปาน เราก็จะไม่กลับมาเกิดในรูปะพบหรือรูปะพบอีกต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงสุดที่จะตามมาหลังจากที่เราได้สติได้สมาธิได้เข้าสู่ความสงบของรูปประชานหรือรูปประชานแล้วถ้าเราอยากจะออกจากตายพบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการมีความยินดีในรูป ในการมาพบในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องกลับมาเกิดในการมาพบการมาเกิดแล้วก็ต้องตายจากกามาพบไปตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะความยินดีการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะนึงให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเช่นเ <sings. S 1> ดียวกับรูปประชานการรูปประชานถ้ายินดีในรูปประชานหรือรูปประชานก็จะทําให้กลับมาเสพ ร, รูปประชานรูปประชานอยู่เรื่อ ย, อยๆพอร่างกายนี้ตายไปไปเกิดอยู่บนรู ป, ปร รูปภพหรืออรูปภพพอส่วนพอเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาเสพรูปประชาหอรูปประชาใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในตายภพเลยไม่กลับมาเไม่กลับมาเสบก า, กามกามคุณก็ต้องเห็นว่ากามคุณห้านี้เป็นตายักเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการเจริญนั่นมีการเสื่อม เวลาเจริญก็ให้ความสุขเวลาเสื่อมก็ให้ความทุกข์และไม่สามารถไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปไ ป, ไปบังคับมันได้มันเป็นธรรมชาติที่มีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับทั้งสา ท, ทั้งการมคุณ5ทั้งรูปปานและอรูปประชานต้องให้เห็นถ้ายังเสืรูปปัจจานถ้ายังเสืการมาคุณ5ก็ต้องละการมคุณ5ด้วยปัญญา ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่กล้าเสพอีกต่อไปแล้วถ้าไปเสพรูปฌานหรือกรูปฌานก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันก็เป็นเหมือนกามมาขุนห้ามันก็เป็นของไม่เที่ยงมีเจริญเริ่มมีการเสื่อมเวลาเจริญก็มีความสุขเวลาเสื่อมก็จะมีความทุกข์ตามมาก็ต้องไม่ยินดีกับรูปฌานหรืออารมูปฌานถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะหยุดไม่เสพไม่ติด ไม่เสพไม่ติดกับรูปฌปานหรือรูปประชานไม่เสพไม่ติดกับกามคุณทั้งห้าเกิรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ mm hmm. นี่คือปัญญาพอไม่เสพอะไรทั้งหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะดึงให้กลับมาเกิดในตายภพเบ็กต่อไปไม่มีกามาตหาที่จะดึงให้กลับมาเกิดในกามาภพไม่มีความยินดีในรูปประชานหรือรูปประชานที่จะเดึงให้กลับมาในรูปภพหรืออรูปภพเด็กต่อไป จิตที่ไม่กลับมาเกิดก็เรียกว่าจิตไปอยู่ที่นิพพานที่ของที่ที่อยู่ของจิตที่ไม่กลับมาเกิดก็เรียกว่านิพพานเป็นจิตที่อยู่กับความว่างเพียงอย่างเดียวนิบานังประมังสุญญ์เนี่ยนิบานังก็คือความว่างว่างจากการกามตัณหาว่างจากภาวตัณหาว่างจากวิภาวตัณหาว่างว่างจากกามาพบว่างจาก รูปภพและว่างจากรูปภพนี่ความหมายของจิตที่ว่างจิตที่เป็นนิพพานจะว่างจากธรรมเหล่านี้จะไม่มีกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาจะไม่เกิดในไต้ภพอีกต่อไปแต่เป็นจิตที่มีบร ม, มสุขนิบานังปรมังสุขขงังจิตที่ไม่มีความอยากนี่แหละเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดเพราะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตได้ต่อไป จิตเลเป็นจิตที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากําลังเป็นอยู่ในตอนนี้พวกเราทุกคนนี้ส่วนใหญ่รับประกรันได้ว่าตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่เราไม่ยึดถือหลักอัตตาหิอัตโนโนา โ, โถถ้าเราไม่ยึดหลักพุทธทางสระนังกะฉามิมาน้อมมาปฏิบัติเราต้องน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนเรื้อพระ คำสอนของพระอริยสงสาวกมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราคอยสั่งคอยสอนวิธีเข้าหาก็คือหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างที่พระเจ้าสงสอรในในบทมงคลละสูตรว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาการสนทนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นเข้าการเข้าหาพระรัตนตรัยนั่นเองเป็นการเข้าหาที่พึ่งทางใจ พอเราฟังเทศฟังธรรมเราเกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อปฏิบัติด้วยอัตตาหิอัตโนนาถพ่อแม่พี่น้องปฏิบัติให้เราไม่ได้เนั้นเวลาที่เราแก่เรานอนอยู่บนเตียงนี่ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้นะเราต้องปฏิบัติเองตอนนี้เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรามีกาลังวังชาที่ดีรีบเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าเอาไปเสพการต่างๆเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่จะคอยดึงให้เราต้องกลับมาเกิดเวียนเวียนว่ายตายเกิดนายกรรมมาพบอยู่เรื่อยๆให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสมัยนี้โชคดีเราสามารถฟังได้ทุกวันเพราะมีธรรมะถ่ายทอดทางทางระบบอินเทอร์เน็ต ฟังได้ทุกเวลาต้องการฟังมีทั้งของใหม่มีทั้งของเก่าให้ฟังได้ทำนี้เป็นอากาลิโกของใหม่หรือของเก่าก็เป็นธรรมเหมือนกันเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันไม่ต้องไปคิดว่าเอ้อทำนี้แสดงเมื่อปีที่แล้วจะมีประโยชน์สําหรับวันนี้หรือเปล่ามีเหมือนกันเพราะธรรมเป็นอากาลิโก้ธรรมนี้ไม่ขึ้นกับการกับเวลา ไม่เสื่อมตามกาลตามเวลาไม่เหมือนกับข้าวนี่กับข้าวแท้ทําไว้เมื่อวานนี้วันนี้เอามากินก็อาจจะกินไม่ได้มันบูดก็ได้ถ้าเราไม่มีที่เก็บรักษาที่ดีแต่ธรรมะนี้เป็นของที่ไม่มีวันบูดไม่มีวันเน่าธรรมะสมัยพระพุทธเจ้ามีประสิทธิภาพในการทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรธรรมะในปัจจุบันนี้ก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็เป็นธรรมนเดียวกัน ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกก็เป็นธรรมันเดียวกันเช่นมงคลละสูตรนี่ก็เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมที่เราสามารถน้อมนําเอามาปฏิบัติได้แล้วก็ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ลองทําดูสิลองไปอ่านมงคลละสูตรดู38ข้อสอนนั้งแต่กอกไก่ขอไข่ขึ้นไปเลย จนไปถึงขั้นสูงสุดข้อแรกก็สอนให้เรารู้จักคบคนคบคนฉลาดอย่าคบคนโง่คนฉลาดก็คือคนมีธรรมะธรรมโมนี่คนโง่ก็คือคนที่ไม่มิรู้จักธรรมะธรมโมคนที่ไม่รู้จักธรรมะธรมโ ม, ค น, ม, ม, ม, โมคนที่ปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้านี้อย่าไปคบเพราะก็จะสอนให้เราเชื่อตามเขาแล้วเราก็จะโง่ตามเขาให้เราไปคบกับคนที่ฉลาดที่เขาจะสอนให้เรา รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ด้วยอำนาจของความอยากต่างๆของเราถ้าเราอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาปฏิบัติทำเพื่อละความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ <Yeah. S 1> มงคลมงคลละสูตรมงคลามสิบแปดข้อนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดที่จะพาให้เราขึ้นไปสิงพ์พานิพานที่จะนำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอน เราเป็นชาวพุทธเคยอ่านกันบ้างหรือเปล่ารู้จักมงคลสามสิบปดข้อนี้หรือเปล่าถ้าไม่รู้นี่แสดงว่าเราเป็นพุทธแต่ชื่อพุทธแต่ชื่อแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นพุทธเลยตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แต่เรื่องอื่นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องหุ้นเรื่องดอกเบีย้ยกันรู้หมดรู้เรื่องเลขเรื่องหวยงวด น, นี้จะออกเลขอะไรรู้กันหมดแต่เลขสามสิบแปดมงคลสามสิบแปดนี้กลับไม่รู้กัน อย่างถ้าเราไม่รู้ว่ามงคล38เป็นยังไงยังถือว่าเราไม่ได้เป็นพุทธแท้ถ้าอยากจะเป็นพุทธแท้ลองไปอ่านดูแล้วลองจดจำให้ได้ทั้ง30บาทข้อจมได้แล้วขั้นต่อไปก็ปพยายามปฏิบัติตามข้อต่างๆตามกำลังของเราเราปฏิบัติข้อไหนได้ก่อนเราก็ปฏิบัติไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราให้ไปสู่ทำขั้นสูงต่อไปได้จนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน นี่คือสาระที่พึ่งทางใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์จาเป็นจะต้องมีก็คือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์คอยสั่งคอยสอนแล้วก็มีอัตตาหิอัตโนนาโถคือต้องมีตนเป็นที่พึ่งของตนต้องเป็นผู้ศึกษาต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครศึกษาแทนเราได้ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ทุกคนต้องทำเอง จะทำให้พ่อให้แม่ก็ไม่ได้พ่อแม่จะทำให้ลูกก็ทำไม่ได้มีแต่พาไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อยู่แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจะต้องปฏิบัติกันเองแล้วถ้าเราปฏิบัติได้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอโตทินนางเปตานางอุปการปติอิช e ิตังปฏิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ so การะโสยัตัสพิติโยวิวัชันตุสัพปรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีดิสะนิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมาวัฏฐิอายุวันโอสุขัง <า>ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่าไม่สะดวกเพราะมีงานอย่างอื่นต้องทำมีคนอยากจะมาถ่ายรูปมีอะไรกัน จะตอบคําถามเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะเพราะยังสงบยังนั่งอยู่ถ้าอยากจะถามโดยที่ถามตัวเองด้วยตัวเองก็เข้ามาที่ข้างหน้านี่มีไมโครโฟนให้ถามถ้าไม่อยากจะมาเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือใช้เพจส่งมาทางเพจทาง youtube ก็แล้มีเจ้าหน้าที่คอยรับคอยอ่านให้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ กระนาศการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทาง Facebook 651ท่านเจ้าค่ะ YouTube 280ท่าน YouTube ของ Dr. V Channel มี112ท่านวิทีวออนไลน์5ท่านครับ House 16ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ 1,94 สี่ท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งันสองห้าสิแดท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านถามได้เลย <c oughs> คำถามแรกจากเฟ e บุ๊กค่ะจากคุณปุ้มปุ้ยกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาไปบวดชีพรามจำเป็นต้องรับศีลลาศีลกับพระทุกครั้งใหม่เจ้าค่ะ ก็ั น, นี้เป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละวัดแต่ถ้าผู้ตามหลักปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องรับไม่ต้องลาเราเป็นคนรับเราเป็นคนตัดสินด้วยตัวเราเองเช่นเราจะรักษาศีลเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้จะรักษาศีลเราจะออกเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่านี้จะออกแล้วก็เท mm hmm. ่านั้นเองแต่ถ้าไปอยู่กับวัดเขาอาจจะมีประเพณีมีธรรมเนียมว่าจะต้องไปอ ไปขอสีนไปรับสินจากพระแล้วเวลาจะกลับบ้านก็ต้องลาสินก็ทํ า, าไปตามตามกฎระเ บ, บียบของแต่ละวัดไปกแล้วกันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามนํำพังของเรานี่เราก็ไม่ต้องไปขอไปลาทายิงสีนนี้รับแล้วไม่ควรจะลาเพรานะมันเป็นเหมือนกัน่ะได้มาแล้วจะคืนคืนกไม่คนคืนก็นโง่แนละ้วใช่ไหมได้มาแล้วข อ, ขอคื น, นอันนี้ศีนมันมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองนะ เมื่บาล้าลก็ต้องเก็บรักษานีาการรักษาศีลเนี่ยมีคําว่ารักษาศีลไม่ใช่ขอแค่รักษาวันเดียวแล้วคืนเข้าไปคืนพระพุทธเจ้าไปแนละ้วเอาแค่วันเดียวเดี๋ยววันหลังมาขอใหม่นี่มันก็เรื่องรามันก็วุ่นวายไปเป่าๆศาสนานี้เป็นศาสนานที่ทําอะไรต้องจริงจังไม่ทําอะไรแบบเล่นๆโก้ๆหรือๆวันไหนหนึกอยากจะรักษาก็ขอวันไหนไม่อยากจะรักษาก็ลา อันนี้ก็จะไปไม่ถึงไหนทางปฏิบัตินี้พอเริ่มรักษาแล้วก็ต้องรักษาไว้ตลอดแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจมีแต่คุณมีประโยชน์นียไม่ต้องเวลามันหรอกศีลมันไม่เป็นภัยกับใจมันปกป้องคุ้มครองใจไม่ให้ไปตกในอบายไม่มีศีลเนี่ยอันตรายจะตกลงไนยบายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คำถามต่อไปจากคุณยศิท์ ขออนุญาตถามพระอาจารย์ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าจะได้เป็นอริยะในชาตินี้และเมื่อเราตายไปเราจะอธิษฐานจิตหรือทำยังไงไม่ให้ลืมสิ่งที่ปฏิบัติมาเพื่อให้ได้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนเข้าถึงพระนิพพานครับคิดอย่างนี้ก็คิดผิดนะเพราะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง อ น, นาคตก็เกิดจากปัจจุบันคือการกระทาของเราถ้าเรามีความจริงใจจะทำอย่างเต็มที่แล้วมันต้องได้แทนที่เราไปคิดว่าไม่ได้ที่มันก็เหมือนกับว่าไปไปขัดขวางตัวเองคนระับไปกีดขวางตัวเองอย่าไปคิดแบบนั้นเราคิดว่าเราต้องได้เราถึงทำกันเวลาั้งหวยยังคิดว่าต้องถูกไปเหนะ่นไหมถ้าไม่ถูกไปแทงไหมไม่มีใครทงไห <Okay. S 2> คำถามต่อไปจากคุณธิดารัตน์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนสอบถามว่าการที่เราฝึกนั่งกรรมฐานและแผ่เมตตาแต่ในระหว่างที่เรานั่งยังมีวกแวกแต่ยังไม่เข้าถึงสมาธิถามว่าเราแผ่เมตตาไปบุคคลเหล่านั้นจะได้รับบุญจากเราหรือไม่เจ้าคะ เวลาแผ่เมตตาไม่ใช่เวลาที่เรานั่งสมาธิคนละเรื่องกันเวลาแผ่เมตตาต้องเวลาเราเจอกันเจอกันยิ้มให้กันนี่เรียกว่าแผ่เมตตาเวลาใครเขาพูดอะไรทำให้เราไม่พอใจก็ต้องให้อาภาัยเขาหรือถ้าเราอยากให้เขามีความสุขเรามีอะไรมาฝากก็เอามาให้เขาอย่างนี้เรียวกว่าการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่ใช่แผ่ด้วยการนึกคิดเฉย การนึกคิดนี้ยังไม่เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเตรียมตัวแผ่แต่ยังไม่ได้แผ่แต่เวลาทําสมาธินี้ไม่ให้นึกคิดอะไรทั้งนั้นให้หยุดคิดแม้แต่การแผ่เมตตาก็ไม่ทำํำให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวถ้าไม่องั้นใจจะไม่สงบนั่งไปก็เสียเวลาเปล่าๆเวลานั่งนี้เราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้เป็นให้เป็นสมาธิต้องไม่ให้คิด ก็อหยุดคิดด้วยการบังคับให้คิดอยู่คําเดียวคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือไม่เช่นั้นก็ให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออเพียงอย่างเดียวอย่าไปทําอะไรอย่างอื่นถ้าทำมันก็ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้ทําสมาธิผลที่จะได้จากการทําสมาธิก็จะไม่เกิดคําถามต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากูติหลวงพ่อปรรมว่าในครอบครัวเดียวกัน พี่น้องกันอาจมาจากต่างที่กันมีจิตที่เป็นศีลจิตที่ชอบอบายก็ได้ขึ้นกับที่มาสามารถมาจากต่างที่ได้ขอเมตตาหลวงพ่ออธิบายทําไมศีลไม่เสมอกันจึงเกิดในท้องพ่อแม่เดียวกันเจ้าคะก็เพราะว่ารักษามาไม่ไม่ไม่เสมอกันไม่เท่ากันชาติก่อนอาจจะไม่เคยรักษาศีลเลย อีกคนนึงเคยรักษาศีลตลอดเวลาพอมาเกิดคนที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะไม่รักษาศีลคนที่เคยรักษาศีลก็จะรักษาศีลนั่นเองเหมือนกันเป็นนิสัยชาติกนถนัดมือขวาชาตินี้ก็จะมาถนัดมือขวาถ้าถนัดมือซ้ายก็จะมาถนัดมือซ้ายชอบสีแดงก็จะกลับมาชอบสีแดงชอบสีเขียวก็จะกลับมาชอบสีเขียวของพวกนี้มันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย นอะไรที่มันออกมาจากใจนี่มันจะมากับใจไปกับใจั mm ้ hmm. ส่วนที่ร่างกายหน้าตาอะไรนี้พอตายไปล่างปีชาติหน้าไม่ได้ร่างกายเหมือนหน้าของเก่าใช่ไหมชาตินี้หน้าตายางี้ชาติหน้าไปเกิดอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะไปเป็นคนฝรั่งอาจจะไปเป็นแขกหรือเป็นอะไรก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของใจนี่มันเคยทำอะไรมามันจะติดไปเป็นนิสัยไป เคยชอบทาบุญก็จะไปทาบุญต่อเคยรักษาศีลก็จะรักษาศีลต่อใครนั่งสมาธิก็จะไปนั่งสมาธิต่อใครเที่ยวเคยชอปปิ้งก็จะไปเที่ยวไปชอปปิ้งต่อคนยังไม่เหมือนกันไงคนบางคนก็ไปวัดบางคนก็ไปบาร์ไปผับกันคําำถามต่อไปจาก YouTube จากคุณออลโปซาซากราบเรียนถามเจ้าค่ะหนูนั่งสมาธิได้สักพัก ใจค่อยๆวูบลงพุทโธหายหนูก็ดูรมหายใจไปเรื่อยๆตัวเบาสมองโล่งไม่คิดอะไรอาการเจ็บปวดจากการนั่งไม่มีนี่คือหนูนั่งเข้าสมาธิได้ยังคะก็กำลังเข้าอยู่ทําต่อไปมันมีหลายระดับด้วยกันมันถ้านั่งต่อไปไมีสติไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ สู่ก้นบึ้งของสมาธิเลยสู่ฐานของจิตจิตก็จะนิ่งสงบเต็มที่บางทีร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกแคมถามต่อไปกราบธรรมสการ์ครับขอโอกาสครับพระพุทธเจ้าท่านที่ปรินิพานแล้วยังมีขันศีลหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณครับมีแต่ไม่ได้ใช้มันเหมือนตอนท่านอยู่ในสมาธิท่า น, นก็ไม่ได้ใช้ขันศีลนำมาขัน เวลาท่านนิพพานท่านก็ไม่ไม่มีติดต่อกับใครก็นเลยก็เลยไม่ได้ใช้ขันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือถ้าเราไม่ติดต่อใครเราก็ปิดเครื่องมีเครื่องอยู่แต่ไม่ใช้มันนามขันยังมีอยู่ในจิตของทุกๆุองทุกทุกคนทุกๆุ ก, ก, กลูกไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพอะระอริยะก็มีขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะใช้มันหรือไม่ใช้มันแล้วใช้ไม่ได้ทางไหน บางคนก็ใช้ไปในการสร้างความทุกข์กันบางคนก็ใช้ไปในการสร้างความสุขกันพระพุทธเจ้าถ้าท่านใช้ท่านก็จะใช้ไปในทางสร้างความสุขพวกเราบุตรชนเวลาใช้มักจะใช้ไปในทางสร้างความทุกข์กันใจที่เราทุกข์ก็ทุกข์ก็กขันนี่แหละคำถามต่อไปจากคุณเอกชัยแกราบนวัสการครับพระอาจารย์ขอสอบถามครับ การนั่งดูลมหายใจและการนั่งดูความคิดถือเป็นการเจริญสติแบบอาณาปนาสติไหมครับไม่ต้องดูลมอย่างเดียวถึงเรียกว่าเป็นอาณาปนาสติอาณาแปลว่าลมเข้าปานาเป็นลมออกอาณาปานาสติคือการดูดูลมเข้าลมออก <c oughs> เรียกว่าอาณาปานาสติไม่ให้ดูความคิดเพราะดูความคิดแล้วจิตจะไม่มีวันสงบไม่มีวันนิ่งได้เพราะมันจะคิดไปเรื่อย ต้องหยุดความคิดด้วยการไม่ไปสนใจไม่ให้ไปสนใจกับความคิดให้มาสนใจกับการเข้าออกของลมหายใจแล้วเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปใจก็จะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาแคมถามต่อไปเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะ เมื่อเราตื่นนอนเราควรทำกิจกรรมใดก่อนระหว่างนั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมเดินจงกรมและออกกำลังกายก็เรื่องต้นก็จะเริญนสติก่อนเนะพอเรินตาขึ้นมาก็ตั้งสติเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดกับเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิด ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยคุมจิตไว้ก่อนคุมความคิดไว้ก่อนแล้วทีนี้จะทำอะไรต่อก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความพอใจอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งอยากจะลุกไปเดินจงกรมก็เดินหรือถ้าไม่ไม่มีเวลาต้องรีบไปทำภารกิจก็ไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปลงควันแต่ก็ให้มีสติทุกปิริยบทของการขึ้นไหว ไม่อยู่กับพุโทโธก็ต้องอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติอยู่แขมถามจากด้ากุติกราบเรียนถามพระจารย์ค่ะหนูเพิ่งเริ่มฝึกจเจริญสติโดยใช้คําบริกรรมพุโทโธพบว่าบางครั้งมีเสียงสดมน์เข้ามาถ้าเป็นแบบนี้หนูควรบริกรรมพุโทโธต่อหรือให้ใจจดเจะกับบทสดมนที่เข้ามาค่ะ อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเพราะอย่างอื่นมันเข้ามาแล้ ว, วบางทีมันก็หายไปเพราะะนั้นบางทีมันก็หลอกจากส่วนมนกลายเป็นร้องเพลงไปก็ได้ดังนั้นอย่าไปสนใจกับอะไรที่เข้ามาในขณะที่เราจะเริญนพุโทโธหรือดูลมหายใจให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวใจของเราถึงจะสงบได้คำถามจากคุณทิติพง์ กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอการท่านอาจารย์ครับอาการของฌานมีลักษณะเป็นอย่างไรครับจะต้องฝึกแบบไหนถึงจะได้ฌานครับขอบพระคุณครับก็ไปอ่านดูในถามก o เข้าเนเขียนเข้าไปรูปฌานเราจะไม่บอกว่ามีวิตกมีวิจารมีสุขมีปิติมีอะไรต่างๆนี้เราจําไม่ได้เลยไม่อยากจะตอบเดี๋ยวตอบผิดไปแล้วเดี๋ยวจะ ไม่เกิดประโยชน์ของโงนนี้สามารถค้นหาได้ใน Google คำถามต่อไปจากคุณบับเบิ้ลดับเบิ้ลซีกราบเรียนถามภาวนาอดอาหารพอเลยสามวันไปแล้ว เบากายเบาใจความคิดไม่มีว่างสงบสมาธิเข้าง่ายกว่าที่เคยเป็นมามีอาการอ่อนเพลียบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อเริ่มกลับไปทานอาหารก็สมาธิไม่ดีเท่าเก่าพอครั้งต่อมาเมื่ออดอาหารอีกพอเลยสวันไปแล้วใจไม่สงบแบบเก่าก็จเจริญสติเพิ่มขึ้นตลอดวันแต่ก็ยังไม่สงบและมีอาการอ่อนเพลียมากควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไป เป็นเพราะว่าเราอาจจะเกิดความอยากสงบก็ได้ถ้าเราคิดแต่อยากให้มันสงบอยากให้มันสงบโดยที่เราไม่เจริญสติมันก็ไม่มีวันสงบงั้นเวลาเราภาวนาเราเจริญสตินี้อย่าไปอยากให้มันสงบอยากให้มันอยากให้มันเจริญสติอยากให้มันอยู่กับพุทโธอยากให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอยากให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้แต่อย่าไปอยากให้มันสงบ ว่ความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทําให้ใจสงบอยากให้มันเหมือนเหมือนเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วอดแล้วสงบดีแล้วเกินคราวนี้ทํำไมไม่สงบสักทีวะยิ่งคิดยิ่งเป็นบ้าใหญ่อยากไปอยากอย่าไปคิดกลับมาที่พุทโธกลับมาที่การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือดูลมเวลานั่งอเดียมันก็สงบเองอดีตผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดอดีตมันจะขวางการปฏิบัติ อนาคตคือผลที่จะตามมาก็อย่าไปคิดให้อยู่กับปัจจุบันคือการจเจริญสติคําถามจากคุณอุษาบุตรแก้วขอถามค่ะเวลานั่งภาวนาไปเรื่อยๆร่างกายมีความรู้สึกมันจะแตกทําอย่างไรดีคะก็ปล่อยมันแตกไปมันไม่แตกมันเป็นแต่ความรู้สึกเราไม่ต้องไปสนใจเวลานั่งแล้วไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือภาพหรือเสียงอะไรต่างๆให้อยู่กับคำบริการพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปของพวกนี้มันมาหลอกเรามันมาหลอกมาล่อให้เราเสียสมาธิถ้าเราไปสนใจแล้วเราก็จะไม่มีวันได้ผลจากการนั่งสมาธิคาถามจากคุณไก่เน่า การพิจารณากายในกายให้เห็นร่างกายเป็นท่าศพฝึกพิจารณาเพื่อจิตทรงอยู่ในความสงบหลังจากการทำสมาธิใช่ไหมครับไม่ใช่เนอะเวลาจิตสงบไม่ให้ทำอะไรเพราะถ้าไปพิจารณาจิตก็จะไม่สงบต้องรอให้ออกจากความสงบก่อนออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยพิจารณาได้แคมถามจากคุณอนัญญา ทำไมอนาอนาปนาสติจึงไม่สามารถดับสังโยชนได้คะเพอะไปกดก่เลยไว้ไปกดสังโยชนไว้ไม่ได้ ไ, ไ, ดไปไม่ได้จะไปตัดนั่นไปกดไว้สมาธิเหมือนเป็นเหมือนหินทับทับยายาไม่ตายเวลาเราหินไปทับมันก็เพียงแต่ไม่ขึ้นนะแต่พอเรายกหินออกไปสักระยะนึ่งมันก็จะฟื้นขึ้นมาได้เพราะรากมันไม่ได้ถูกถอนออกเช่นเดียวกับกิเลสคือสังโยนนี่มันไม่ได้ เราไม่ได้ถอนรากของมันด้วยด้วยสมาธิเราต้องถอนมันด้วยปัญญาเพราะรากของสังโยชน์ก็คือความหลงความไม่รู้ความจริงเราก็อเอาปัญญาคือความจริงไปสอนมันเหมือนคนสมัยก่อนว่าโลกนี้แบนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาความจริงไปสอนก็โลกนี้ไม่แบนโลกนี้มันกลมแต่มันกว้างใหญ่จนกระทั่งทําให้เรารู้สึกว่ามันแบนแต่ความจริงมันกลมพอเอาความจริงมายืนยันปับ๊บ มันก็มันก็เลิกเชื่อเรื่องว่าโลกนี้แบนกันตลอดแต่ถ้าใครบังคบให้สาเชื่อกูนะเชื่อกูนะว่ามันแบนมั น, นมันกลมนี้กลัวเขาอะไรต้องเชื่อเขาไปนแต่พอวันไหนที่เขาตายไปหรือเราใหญ่กว่าเขาก็าไม่ต้องเชื่อเขาแล้วก็กลับมาเชื่อว่ามันแบนต่อก็ได้ก็แบบเดียวกับสมาธิเวลาสมาธิเราไปกดมันไว้เฉยๆไม่ไม่ให้มันทํางานแต่พอจากสมาธิมามันก็เริ่มทํางานต่อ ความโลภความอยากต่างๆมันก็ทำงานต่อแต่ถ้าเราสอนว่าอยากแล้วมันทุกข์นะเหมือนกับเอามือไปไ ป, ไปจับของร้อนเนี่ยจับแล้วไหม้นะไหม้มือนะถ้ารู้ว่าจับไปแล้วไหม้มือเรา เ, เราก็ไม่กล้าไปจับมือนนี้ไฟฟ้ามีใครกล้าไปแตะมันนะอย่าง น, น, นั้นคือปัญญา เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นที่ที่จะตามมาด้วยปัญญาด้วยความจริงปัญญาคือความจริงแต่ถ้าบอกเฉยๆบอกลูกนุ่งอย่าไปเล่นไฟนะเดี๋ยวเจ็บนะมันเชื่อไหมบางทีมันไม่เชื่อนะเดี๋ยวมันก็ไปแย่ไฟเข้ามาถึงรู้โอ้ยสะดุง้งทีนี้ต่อไปรับรองได้ไม่กล้าไปแตะมันเองนะเพราะเห็นความจริงด้วยปัญญาแล้วเวลาเดินจงกรมต้องถอดรองเท้าเสมอไหมคะแล้วแต่ตามใจแล้วแล้วแต่ ้้ใใสส่่่อ ง, งเทากก็็ไไดมคําถามจาก youtube ค่ะเทพพรมเสมือนท่านปิดสัญญาณโทรศัพท์ดังนั้นหากระลึกถึงเทพพรมวิงวอนขอความช่วยเหลือต่างๆเช่นนั้นท่านรับทราบและช่วยเหลือหรือไม่ครับกับพอะพระคุณครับเทพพรมก็ไม่มีภัยหรอกเขามีแต่ความสุขเขาสุขสุดยอดนะี มีแต่ความสุขเขาไม่มีภัยอะไรมารบกวนใจเขาจะมามีภัยก็ตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นีน้ตอนที่มีร่างกายอันนั้นก็จะมีภัยต่างๆมาคอยรุมเล้าทำลายร่างกายคำถามจากคุณจัสติน แบบนวัตการมพระอาจารย์ชาตินี้เกิดมามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าตายไปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจะยังคงเกิดในศาสนาพุทธอีกหรือไม่ครับหรือมีโอกาสไปเกิดในศาสนาอื่นด้วยครับก็ได้ทั้งนั้นเน่ยเพราะเวลาไปเกิดนี้เราเลือกไม่ได้จะไปเกิดเป็นลูกของใครถ้าไปเกิดน้องลูกของคนที่เขนับถือศาสนาอื่นเขาก็จะพาให้เรานับถือศาสนาอื่น แต่ถ้าเราเคยนับถือศาสนาพุทธและเรายังไม่ลืมเราก็อาจจะเปลี่ยนศาสนาไดา้อย่างชาวต่างชาติที่มาบวชเนี่ยเขาเกิดในศาสนาอื่นนพอเขาเป็นคริสบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นยิวก็มีเป็นคริสก็มีเป็นอิสลามก็มีแต่พอเขาได้ศึกษาธรรมะคําสอนของพระเจ้ามันก็ไปกระตุ้นศรัทธาเก่าที่เขามีอยู่เขาก็เลยมาบวชกันนั่นมันอยู่ที่ว่าเราศรัทธาของเรามันยัง หายไปหรือไม่ถ้าศรัท ธ, ธามันน้อยมันก็หายมันเสื่อมเร็วถ้าศรัท ธ, ธามากมันก็เสื่อมช้าแต่ถ้าเป็นศรัท ธ, ธาที่ไม่เสื่อมก็คือเป็นพระอริยบุคคลพอเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะไม่เปลี่ยนาศาสนาอีกต่อไปจะนัถือาศาสนาพูธไปจนจนกว่าจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคําถามต่อไปคําว่าเพียนให้มากหมายถึงเพียนในเรื่องใดบ้างคะ เพียงยาราณสติเพียงนั่งสมาธิเพียงพิจารณาทางปัญญาเพียงรักษาศีลให้บริสุทธิ์คํำถามจากคุณวรพรน้อมกราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งแล้วควรจะทําอย่างไรต่อคะให้มันเป็นหนึ่งนานๆอย่าให้มันเป็นสองอย่าให้มันคิดพอคิดก็เป็นสองคือมีตัวคิดกับตัวรู้ให้เหลือแต่ตัวรู้ตัวตัวเดียวพอมันเริ่มคิดก็ต้องหยุดมันใช้สติหยุดมัน คำถามต่อไปทำอย่างไรเราถึงจะไม่คิดไม่วิตกกับความเจ็บปวยและความตายคะเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติมากก็สามารถควบคุมความคิดได้อยู่ความคิดได้แล้วถ้าใช้ปัญญาเป็นก็จะทําให้ใจปล่อยวางร่างกายได้จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายถ้ามีปัญญา คำถามต่อไปจากคุณจิรารัตน์การตั้งจิตขอไปพระนิพพานถือเป็นการตั้งความหวังที่ส่วนเกินไปหรือไม่สําหรับคารวาะถ้าหวังได้สิ่งนี้มีส่วนช่วยให้เกิดมักไปสุขเป้าหมายหรือไม่กราบนมัสการและขอบคุณกเวลาซื้อออตเตอรี่หวังซื้อถูงรางวัลที่หนึ่งกันรู้เปล่าแ ม, ม่เลือดเจ้าแค่สองตัวนะตั้งได้ทั้งนั้นอาจจะได้ไม่ได้มันในเรื่องนึงนะ อยู่ที่กำลังของการปฏิบัติของเราตั้งสูงๆแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติแต่ตั้งไว้มันดีมันจะได้ไปเดี๋ยวมันมันพอพ้ได้ใช้สองตัวก็ไปขึ้นเงิ น, นไปตรวจรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวเสียใจหนังด้วยบรรทุกรางวัลที่หนึ่งด้วยทางาน จากคุณสวยๆค่ะกลับนามัสการจากโคลา่เจ้าค่ะวันนี้ถือศีลแปดที่บ้านค่ะและสามารถนั่งสมาธิเพชรได้ตลอดตั้งแต่พระอาจารย์เทศจนจบค่ะทำได้สำเร็จครั้งแรกจะยึดมั่นพา ร, รัตนไตาและปฏิบัติต่อไปขอบคุณพระอาจารย์สุชาติที่เมตต า, าสาธุขอให้ทำไปทุกวันพระแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆนะวันวันไหนสะดวกมีเวลาว่างก็ทา ไฟังได้ทุกวันนะมีการถ่ายทอดสดทุกวันเอาของเก่ามาถ่ายทอดได้เหมือนกันอย่างที่บอกเป็นธรรมะ็นนากาลิโกโออมหมดแล้วจ้าค่ะพอสมควรก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ